กรรมสธรรมะนิคมว่ามีความเป็นมาอย่างไรคือตามปกติแล้วเราจะพบว่าอาคารสถานที่อะไรต่างๆมันจะมีประวัติความเป็นมาพระโบราณอาจารย์ในสมัยโบราณเวลาท่านต้องการจะแสดงเรื่องอะไรท่านก็จะเท้าความย้อนหลังถึง ที่มาของชื่อนั้ น, น, นเช่นคำว่าภารณสีเช่นคำว่าสารสาวัถีเช่นประเชตะวันเช่นเวลวุ ว, ลวันเป็นต้นเนี่ยก็จะมีการอธิบายประการอธิบายอย่างนี้ดีอย่างหนึ่งคือทำให้เรามองมิติต่างๆที่เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเราเกิดไม่ทันเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพ เป็นจิตภาพที่เกิดขึ้นภายในใจเราอย่างยกตัวอย่างเช่นในกาลามสูตรพิธทานอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านเกษบุตรนิคมว่ามีศาลาเป็นที่พักของคนเดินทางตอนออกจากป่าอีกด้านหนึ่ง แล้วเข้าไปสู่ป่าจากอีกด้านหนึ่งประชาชนอยู่กันเป็นจหนวนมากและมีแขกแปลกหน้าก็มาจากป่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาข้ามืดตรงประตูป่าพอดีแล้วก็พักที่สันธาขาดที่คนที่จะไปจากอีกด้านหนึ่งก็ มาพักอยู่จนรุ่งเช้ามืดแล้วก็ออกจากป่าด้านนั้นก็ไปอีกด้านหนึ่งทีนี้การกระจายตัวของประชาชนอยู่ในทิศ ต, ต่างๆก็ทำให้เราไปมองเห็นภาพว่ามันมีลักษณะของสี่แยกแยกด้านหนึ่งนี่คือเข้าป่าก็แยกด้านซ้ายด้านขวา แล้วก็อีกแยกด้านหนึ่งก็คือการเดินทางมาจนมาถึงประตูป่าในตอนรัางวันของคนที่ไม่ได้อยู่ในป่าคือไม่ได้ผ่านในป่าอีกด้านหนึ่งก็คือพวกที่ผ่านในป่าแล้วก็ตามให้ความคิดเราก็ออกไปในถึงเรื่องอื่นๆว่าทำไมความคิดเหล่านี้จึงสับสนกันโดยเกินแต่แยกขัดแย้งกัน ไม่ลงรอยกันหาข้อยุติจากความคิดเห็นของคนเหล่านั้นไม่ได้ก็เพราะว่าที่มาของศาลที่คนเหล่านั้นเขารับเนี่ยมันหลากหลายเหลือเกินคนก็แตกต่างกันในทุกด้านแล้วก็มีเรื่องที่ตัวเองปักใจฝังใจอยู่คือบางทีก็พูดซ้ำซากจน เป็นอุปท า, านหมู่ขึ้นมาคือเท็จจนนึกว่าจริงอหรือบางทีก็จริงระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเองเออกมาพูดมากๆข่าวเลยกลายเป็นจริงๆไปหรือไม่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบอะไรทีนี้กรรมวกามกรมม า, ม า, มาสธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นประการแรกในเกิดจาก สุ ต, ส, ต, ส, ตสุมชาดกก็ที่พบมาก็พบในสุตสุมชาดกเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงหมาโจรปริศาทซึ่งเป็นอดีตกษัตริย์ครองเมืองพารานสีท่านเกิดชอบกินเนื้อมนุษย์จนในที่สุดก็ต้องขับออกจากป่าเมื่อไปอาจูนขอร้องให้งด บริโภคเนื้อมนุษย์ท่านไม่ยอมก็ให้ท่านออกไปจากเมืองแล้วก็ให้พระราชโอรสนั้นปกครองบ้านเมืองแทนโดยมีข้อแม้ว่าถ้าพระเจ้าพาระรันสีเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจเลิกกินเนื้อมนุษย์แล้วก็กลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้แต่ท่านก็ลุยไปสุดตัวจนถึงกับพอขาดแคลนเนื้อเข้ามาก็ไปกิน พ่อครัวซึ่งเอามาติดตัวมาเนี่ยเพื่อปรุงอาหารเป็น ก, กับเนื้อมนุษย์ในสุดท่านก็ต้องหาอาหารเองแล้วก็ปรุงเองแล้วก็โดดไล่ค่ามนุษย์เนี่ยไปถูกเอาตอต่ำฝ่าเท้าเข้าแล้วก็มันแตกออกคล้ายๆกับตอมันถอนไม่ออก เ, เครื่องมา้าเครื่องมือการแพทย์อะไรอยู่ในป่ามันก็ไม่มี ก็ทำให้ท่านเป็นปุ่มอยู่ที่หลังเท้าเลยเรียกว่ากรรมาตธรรมะอีกอย่างหนึ่งเป็นการเล่าว่ามันมาจากเรื่องชาดกเรียกว่าชายธิตพระเจ้าชายธิตชาดกว่าปางเมื่อเราเป็นพระบรมโอรสาธิราชของพระเจ้าชายทิต ผู้ทรงเป็นพระราชธาิปดีแห่งปัญจล ร, รัฐได้สละชีวิตปรดเปื่องพระธิดาแล้วอีกจังหนึ่งเราได้ให้พระเจ้าโบริษาสผู้เป็นพระบาทต่างเลื่อมใสดังนี้ก็สรุปว่าจะเป็นโอรส พระโพธิสัตว์ที่เป็นโอรสของพระเจ้าชัยยทิตย์ก็ตามหรือว่าเป็นพระเจ้าสุตโสมก็ตามแหละก็อยู่ในยุคเดียวกับโจรปริสัตทีนี้ก็ท่านอธิบายในเชิงรูปศั飒ว่าแต่บางอาจารย์อธิบายด้วยทะคือทอทงเนี่ยอักษรอย่างเดียวดังที่เล่ากันว่าชาวกุรุรัต มีขนดธรรมเนียมประเพณีประจํากุรุรัตคือกุรุธรรมกุรุธรรมในแง่ของความจริงก็คือสีลห้าประการท่านผู้ฟังที่เคยอ่านเรื่องอักดัญยสูตรเรื่องจั ก, กรวัตติสูตรเป็นการเล่าเรื่องราวดึกดำบันนานในกาเลเมื่อไรก็ไม่รู้แล้ว คือตั้งแต่มนุษย์เริ่มเกาะกลุ่มอยู่กันเป็นพวกเป็นหมู่ตอนนั้นอะไรก็ธรรมชาติก็เอื้อมหน่วยทั้งหมดอพสราพรมที่ลงมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยเริ่มจากการชิมงวนดินเ็าเรียกวงวนดินคล้ายๆกับเนยนะครับ แล้วก็จนเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยจนถึงการข้าวสาลีที่เกิดเองคนก็ไปเก็บกันมาวาันลยิมต่อมาคนบางคนก็ขี้เกียจที่จะไปเก็บทุกวันก็เลยสะสมสะสมเพื่อนก็รักขโมยก็เลยก็เกิดปัญหาขึ้นมาสรุปว่าเกิดปัญหาให้มีบทบัญญัติเรื่องสี่ห้าข้อขึ้นไอ้เริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นอย่างนี้หรอก ไปเริ่มต้นที่อธินาธานก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นกามเมสมิชาจารย์แล้วจากนั้นก็เป็นมุสาวาตจากนั้นก็เป็นปาณาธิบาตแล้วก็ต่อจากนั้นอีกนานจึงเกิดเรื่องสุรามีไรขึ้นมาในแง่ของธรรมะที่่านเรียกวกรรมกิเลสมันจึงมีแค่สี่ข้อ คือปาณาธิบาทอาทิตนาทานการเมตสุมิชาจารและก็มุตสาวะพอเป็นสี่หก็ข้อที่สข้อที่หใส่เข้าไปก็กลายเป็นหข้อทีนี้มนุษย์ในโลกเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับการมีกฎเหล่านี้ไว้บังคับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นธรรมะเลย แล้วคนจะระมัดระวังสัมรวมตัวเองให้อยู่ในหลักทัพมห้าประการเนี่ยตอนนั้นไม่เรียกว่าศีลนะไม่ได้เรียกว่าศีลห้าไม่เรียกว่าบเบญจศีลแต่เรียกว่ากุรุธรรมแปลว่าธรรมะของชนชาวกุรุแล้วก็รักษากันเคร่งครัดมากเป็นธรรมะปฏิบัติซึ่งลองสังเกตว่าถ้าเข้าถึงศีลทั้งห้าข้อได้จริงๆจงนกลายเป็นธรรมะเนี่ย โดยสังค ม, มก็สันติสุขแล้วเพราะเหล่านี้มันเป็นตัวสันติธรรมคือธรรมะที่ให้เกิดความสงบเมื่อคนช่วยกันปฏิบัติมันก็เกิดสันติภาพสังค ม, มก็อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขไม่ต้องไปนับเป็นหน้าหน้ากระดาษหรอกเอาแค่สี่ห้าข้อก็พอแล้วแต่ศีลห้าเวีนี้เราก็เอาไม่รอดเอาตัวไม่รอด มีปัญหาเรื่องสี5้ากันมากเหลือเกินมากจนไม่รู้จะว่ายังไงมีข่าวเรื่องละเมิดสี่ห้านี้ทุกวันแล้ววันหนึ่งก็เยอะๆด้วยดังนั้นคำว่ากากรรมาจะธรรมะในความหมายของท่านเนี่ยหมายความว่าคนที่รักษากุลธรรมเนี่ยบางทีก็ขาดบ้างบางทีก็ทะลุบ้างบางทีก็ด่างบ้างบางทีก็พร้อยบ้าง มันให้รักษาได้สมบูรณ์จริงๆในยากทีนี้พอเกิดด่างขึ้นมาเนี่ยในขนบธรรมเนียมประเพณีคือในกุรุธรรมดังกล่าวก็เรียกว่ากรร ม, มาตธรรมะเพราะมีธรรมคือความด่างพร้อยเกิดขึ้นคำนี้เป็นชื่อนิคมที่ชาวกุรุอาศัยอยู่ อันนี้ก็ในย่าหนึ่งน ะ, ค, ะคือแปลกันมาเพราะว่าเป็นเรื่องโบราณสมบัตคนยุคนั้นจึงยุคเรายึงโบราณกันใหญ่เลยาท่านว่ายังไงก็ฟังไว้ทั้งสองอย่างก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งสองอย่างแต่ว่าข้อที่ว่าคำว่าดางนี่คือเท้าด่างนะฮะเท้าของโจรปบริษัะที่มันด่างแต่ว่าในย่าแรกพูดถึงทํานองว่า แต่ต่อไม้ที่เหยียบเนี่ยท่านที่ต้นเหยียบเนี่ยมันตรึงติดอยู่ที่ฝ่าเท้าของท่านก้อยเท้ามันบวมขึ้นมาก็จะเป็นความหมายยังไงก็ตามแต่ไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ว่าต้องการให้ดูว่าเออวิธีเสนอเรื่องอะไรในสมัยโบราณเนี่ยท่านจะเอาบริบทต่างๆที่เกี่ยวกับตัวหลักเนี่ยเข้ามาพูดไปด้วย มันเกิดจินตนาการเกิดจินตภาพขึ้นมาภายในใจของผู้อ่านผู้ฟังผู้ได้ยินดังนั้นท่านก็ตั้งประเด็นขึ้นว่าถามว่าเหตุชะไหนท่านจึงไม่กล่าวคำว่ากรรมาสธรรมะนั้นไว้ด้วยด้วยสัตตมีวิพัตนะฮะก็เราจะเห็นว่ากรรมาสธรรมะ ก็น่าจะว่าในนิคมชิวะกรรมมาทะธรรมะแต่ท่านก็ใช้เป็นปฐมวิพัฒนคือวิพัฒนแรกนะฮะวิพัฒนแรกกรรมมาทะธรรมโมแก้ว่าเพราะพระผู้มีพระภาคไม่มีโอกาสที่จะที่จะประทับได้ทราบว่า ไม่มีวิหารอะไรที่เป็นโอกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในนิคมนั้นแล้วห่างจากนิคมนั้นไปได้มีไพรสนใหญ่ในภูมิภาคแข่งหนึ่งบริบูรณ์ด้วยน้ําเป็นร ม, มนียสถานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จประทับที่ไพรสนแห่งนั้นทรงเอานิคมนั้นเป็นโคจรคมคือเชื่อบิณฑบาตแต่ที่พระเจ้าพักจริงๆเนี่ย เรลองนึกภาพดูมันมีสันตาคารสันตาคารคนตัวชุมได้เยอะนะฮะคล้ายๆกับวิหารคล้ายๆกับการบ ร, ริเวณในวัดต่างๆเนี่ยคือคนนอนได้ไปร้อยๆอทีนี้เมื่อชาวบ้านเขานอนกันเนี่ยพระก็ไปนอนไม่ได้แล้วก็ที่พักอย่างอื่นมันก็ไม่มีพระเจ้าเลยไปพักในไพรสนคือในหมู่ป่าแล้วก็เสด็จเข้าไปบินทบาทในสถานที่เหล่านั้น เพราะงก็บาลีก็บอกว่าอาศัยกรรมมาสถานมานิคมเป็นที่โคจ ร, ต ร, รบินธบาติหรือไม่ได้ประทับอยู่โดยตรงทีนี้ควรเข้าใจความหมายในเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่หมู่บ้านกุรุทรงเอานิคมของชาวกุรุที่ชื่อว่ากรรมมาสถรนมะเป็นโคจรคาบคือสถานที่บินธบาต เราสั่งว่าพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเอกายโนยังมาโคสมรคาโตนทางนี้เป็นทางเอกทางเอกนั้นแปลว่าหนึ่งก็ได้หรือทางไปทางเดียวก็ได้คือสุดยอดก็ได้เอกเนี่ยแปลว่าเอกกับบุรุษอย่างนี้ก็สุดยอดของคนแล้วทางเอกก็คือทางเดียวไม่มีทางใช้ทางขวา ที่จะไปสู่ในสถานที่เนิ่นที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราเพิ่งสังเกตว่ามันก็มีถนนพุ่งไปในสายนั้นไม่มีทางที่สองทีนี้เพราะกุรุนี่สามารถจะรับเอาพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งได้ธรรมเทศนานี้อย่างที่บอกว่าเป็นธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งมากถ้าคนไม่มีพื้นฐานมากพอเนี่ย ไม่มีทางที่จะฝังรู้เรื่องเพิาะก็จึงเลือกเฟ้นคนเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าแคว้นกุรุที่ทรงแสดงประมาณร่วมสิบสูตรอนะครอยู่ที่แคว้นกุรุนี่กรรมฐานธรรมะเนี่ ย, รรรยประสูนยแต่ละประสูตยยากทั้งนั้นเป็นอารมณ์ของสมถะกบิปัสสนาเน้นที่อารมณ์มิปัสสนาด้วย เป็นแสดงเป็นการแสดงธรรมะในภาคปฏิบัติเพราะว่าชาวชนชาวกุรุสามารถฟังธรรมะที่ลึกซึ้งระดับนั้นได้ก็ได้ทราบ ว, ว่าพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษูภิกษุนีอุบาสกบอสิกาทั้งหลายเนี่ยชาวกุรุรัฐเป็นผู้มีร่างกายและจิตใจเหมาะสมเป็นนิดก็มีประเด็นที่อยากจะแวะตรงนี้นิดหนึ่งคือประเด็นของพิษุณี วันก่อนฟังรายการธรรมะแล้วก็พูดถึงวิทยุเป็นรู้สึกอย่าเป็นการอ่านหนังสือธรรมะต่อทางวิทยุเราก็ฟังกันไปเขาไปใช้คำว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้มีการบวชเป็นภิกษุณีของผู้หญิงคือคล้ายๆจะจริงนะ ใคาจะจริงแต่เราจะเห็นว่ามันจะขัดแย้งกันหมดเลยถ้าเราใช้ประโยคนี้นะผู้เจ้าปเป็นผู้อนุเคราะห์โลกผู้หญิงเขาก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกอะไปไปเศษเขาได้ยังไงเขาสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ก็ใช่สามารถบรรลุได้โดยการบวชหรือไม่บวชก็ตาม แต่ทีนี้การที่ส่งยับยั้งไวหลายครั้งจังหวะนี่มันเป็นเรื่องโอกาสโอกาสยังไม่เหมาะเพราะเราอย่าลืมถึงข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์ว่าผู้หญิงสมัยนั้นไม่ได้มีการศึกษาแล้วเรียนแตกฉานเป็นปริญญาตรีโทเอกอย่างสมัยนี้เขาไม่มีการเรียนหนังสือการผู้หญิงอ่ะก็อยู่กับย้า่ข้าวกับเรือน แม้แต่ตอนใกล้ๆเนี่ยสมัยราชการที่ห้าเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนอย่าพูดไปไกลทำไมขนาดนั้ น, นแต่ข้อที่เราไม่ควรลืมก็คือว่าตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระมโนปณิธานที่จะดำรงประชนอยู่หลังจากตัด ส, สรุแล้วก็ตัดสินพระไทยที่จะประกาศธรรมะแก่ชาวโลกตามคำรัชนาของสามบดีพรมเนี่ยก็ ทรงปฏิญาณไว้สี่ประการหนึ่งพระองค์จะทรงดำรงพระชนอยู่เพื่อแสดงธรรมะพระสัทธธรรมสงชายเขมาเพื่อแสดงพระสัทธธรรมแก่พุทธบริษัททั้งสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาตอนนั้นไม่มีสักซักบริษัทเดียวนะ เระแสดงว่าภิกษุณีก็อยู่ในในพระไองกราองค์แล้วแล้วมันเป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกประองค์นั้นมีภิกษุณีทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีเพราะเวลาประกาศว่าจะเป้าประสงค์ของรปรงค์อยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ภิกษุภิกษุณีบาสุปบสิกาเพื่อได้ศึกษาเรียนรู้ตาพระสัทธรรม ประการที่สองเพื่อให้พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัทธธรรมประการที่สามที่จริงน่าจะเป็นการสัมผัสผลแต่ทีนี้ปฏิบัติศึกษากับปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องสัมผัสผลแหละเลยก็ลากไว้ในฐานที่เข้าใจกันจริงตอนสัมผัสผลเป็นเป็นป ร, ริยัติเป็นปฏิเวทสัทธธรรมนะครับ แต่ว่าไม่ได้รับสั่งตัวนั้นก็รับสั่งแค่สี่อย่างแล้วก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้ง4ี่คือภิกษุภิกษุณีบาสุกบาสิกาส่งย้ำทุกข้อนะที่ผ่านการศึกษาผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วได้นำธรรมะเหล่านี้ไปเผยแผ่ชี้แจงแสดงบอกกล่าวแก่บุคคลอื่นโดยวิจิตพิสดาร ก็ตกลงว่ามันก็ให้ผุ้ตรวิสัตยหมุนวนกันอยู่ช่วยรุดน้องน้องต่อไปเรื่อยๆก็รุ่นใหม่ก็เกิดมาแทนรุดน้องรุดพี่ก็ตายไปคนรุ่นใหม่ก็เกิดมาแทนก็หมุนวนพระศาสนาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อมีปรับประวาดเกิดขึ้นปรับประวาดนี่กล่าวบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาสารพัด ท, ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก็ได้ประท ร, รมก็ได้ประสมก็ได้ใส่สิขาก็ได้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ละสรุปว่าปรับประวัติเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วให้พุทธบริษัทสามารถแก้ไขป ร, รับประวัติเหล่านั้นในยุติลงด้วยความยุติโดยความสงบนะครับโดยสะอาดธรรมคือหมายความมายุติโดยเหตุด้วยผลโดยความดีด้วยความถูกต้องแล้วพระองค์ก็จะประนิพน ทีนี้พอมาพูดถึงตอนนี้ว่าเวลานี้มันปีที่ที่จริงก็คือหกร้อยแล้วนะอีกสองปีก็หกรอยปีละสองพันหกร้อยปีรู้จักนี้ผ่านมาสองพันหกร้อยปีแล้วความเปลี่ยนแปลงของพิษุณีไม่ได้เปลี่ยนแปลงในตอนต้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่แล้วก็แพร่กระจายออกไปแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่ม จะต่อไม่ถูกนะฮะต่อกันไม่ได้ภิกษุนี้วงก็ขาดไปพอขาดไปพอขาดไปปั๊บเนี่ยมันไปอยู่ที่เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเข้าสู่พระธรรมวินัยของผู้หญิงเพื่อบวชเป็นภิกษุณีอประกอบมันไม่มีตรงนั้นเป็นวินัยนะฮะตรงนั้นเป็นวินัยไม่ใช่ธรรมวินัยคือวินัยเลยวินัยก็คือเหมือนกฎหมายนะะั่นแหละ หมายความว่าถ้าไม่สดรับสอดครองกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ถือว่าใช่ไม่ได้เมืองใดที่ยังอยู่เขาคิดว่าภิกษุโิกของเขาอยู่ก็สืบมาได้เขาบวชไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่น จ, จีนเช่นเวียดนามเช่นอะไรต่อะไรต่างๆนี่ก็บวชนี่เขบวชไปก็เราก็อนุโมทนาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ลาวคณะสงฆ์เขมรเนี่ยบวชไม่ได้ โรพิสุณีของรวมของเรามันไม่มีมันมีทิรังกาแล้วก็เข้ามาอุตรนิกายคือนิกายทางด้านเหนือแต่ว่าของเราเนี่ยทางอะไรละทวพมมานะฮะตั้งแต่พมา่าไทยลาวขาเขมรจนถึงก็เวียดนามนะเวียดนามรู้สึกเขามีนะ ร, รู้สึกว่าเขามีเ็ามีก็ ม, ม, มีไปอะ แต่เราสืบต่อมาไม่ได้เราสืบต่อมาไม่ถึงหกไม่ถึงเก้าร้อยปีเราก็หมดหมดมานานแล้วแต่แต่ว่าในดินแดนสุวรรณภูมินั้นภิกษุณีวง์ไม่เคยเข้ามามันไม่มีมาตั้งแต่ต้นไม่รู้จะเอาอะไรมาต่อม็ต่อไม่ได้แ้วถามว่าอาศัยเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าทรงมัณฑ์ไว้ไม่ได้หรือ ่าลืมว่าที่ทรงบัญญัติไว้ที่พิเศษนี้บวชครั้งเดียวแต่นั้นเองฮะบวชครั้งเดียวเหมือนกับการบวชของพระรุ่นแรกอะด้วยเอหิภิกขุอุปสมบทานพอมีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบหกสิบต่อตั้งเก้าสิบนะพระองค์ก็มอบให้บวช ด, ด้วยอีกวิธีหนึ่ง พอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในสุดก็กลายเป็นยติทุติยกรรมอย่างที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าบวชแบบเดิมได้ไหมใครจะเอีหิพิขุได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องเริ่มต้นาศาสนาเท่านั้นเองวน ก, การบวชให้ภิกษุณีให้บวชเป็นผู้หญิงเป็นภิกษุณีโดยพระพุทธเจ้าเป็นอุปชฌายะเองเนี่ย ก็บวชให้แก่พระมหาประชาบดีท่านเดียวแล้วก็จากนั้นก็ให้บวชกับภิกษุ ส, สงฆ์ก็ชุดเดียวแต่น่าเดงในะชุดนั้นแหละชุดอื่นไม่ใช่แล้วชุดอื่นภิกษุณีเป็นปวัตินีคืออุปชายยะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นสาชีวินีก็คือเหมือนสัตทธิบริของพระเนี่ยกบวชกันเองเรียกเสร็จเบ็ดเส็จ เด็ดขาดเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเมื่อบวชเสร็จแล้วเนี่ยให้คณะสงฆ์รับทราบด้วยก็นำมาสู่ทรามกลางสงฆ์พระสงฆ์ก็ประกาศรับรองสถานภาพของภิกษุณีชุดนั้นก็เป็นอันว่าเรียบร้อยตัวนี้มันไม่มีเลยเวล น, นี้ไม่มีเลยไม่รู้จะเอามันทำยังไงได้มันไม่ใช่เรื่องพระไม่บวชให้ แต่พระไม่มีอำนาจหนา้าที่สิทธิและหนา้าที่ที่จะบวชให้แต่ขืนบวชออกไปก็ไม่ใช่เป็นภิกษุอีโดยชอบโดยพระวินัยนะเรื่องวินัยคือเรื่องวินัยนะเรื่องธรรมะนั้นมันก็คือเรื่องเขาธรรมะธรรมะเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเช่นท่านสาธุชนต้องการจะมีสติ ทั้งเจ้ากุศลเจตน์ก็มีสติเอาตอนนั้นเองไม่ต้องไปราตนาสติที่ไหนเอาต้องการจะมีความเพียรก็มีความเพียรไปทิแม้ต้องการจะสมาทานศีลก็อธิษฐานเราได้ศีลน่ะอธิฐานเราได้ทั้งๆ ท, ที่มีลักษณะเป็นพรินายเพราะอดไเพราะไม่ใช่บทบัญญตัติบทบัญญัติที่เป็นการทั่วไปแก่พุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเป็นบทบัญญัติทั่วไปบทคําสอนนะคําสอนทั่วไปแก่คนทั้งหลายนี้นี่ไม่เกี่ยวฮะคือหมายความจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาใครปฏิบัติก็ได้โยมจะเจริญกรรมฐา น, นจนบรรลุนิพพานก็ได้ถ้าเป็นอยู่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือธรรมะนี้ไม่ต้องอ่านราษะนะแต่ว่าสีนเนี้มันมีรูปแบบของเขา การจะเป็นอย่างนั้นจะต้องผ่านลำดับขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่มาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นี่ก็แวนหน่อยหนึ่งเพื่อท่านทั้งหลายจะไปได้ยินได้ฟังในที่บางแห่งที่มันแต่การใช้คำว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธประสงค์ที่จะให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีนี่มันเกินไปคือมันทาลายพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า แล้วก็ทำลายพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำลายพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีปัญญาอย่างรู้นี่นะว่าผู้หญิงบวชแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก็ยังรู้แต่การรักษานี่เป็นเรื่องผู้หญิงเองการให้บวชเนี่ยเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าให้บวชเพียงแต่ว่าต้องมีการห้ามปรามพระมหา ป, ปชาบดีหลายครั้งเนี่ยเพราะว่า การศึกษาที่มันไม่ทัดเทียมกันแลอสังคมก็มีความสลับซับซ้อนเพราะว่าสังคมเป็นวันนะกันอยู่สูงยอกภพวันนะแพทย์กับวันนะสูตรวันนะจันทานเนี่ยถ้าไม่มีการศึกษาเพราะนั่นก็วางกฎเกณฑ์นในเงื่อนไขเป็นเรื่องยาก เพื่อผู้หญิงจะได้รู้สึกวเรื่องนี้ยากนะฮะบุรพาจาย์ท่านได้รับมาแล้วก็สืบต่อกันมาเป็นเรื่องยากเพราะงั้นเราต้องรักษาให้ดีที่สุดที่จะดีได้พระพุทธนาคสืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบันทีนี้เราก็กลับมาที่เดิมนะครับเขาพูดถึงว่า เหตุฉนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สัตว์พระสูตรนี้ในแควนกุรุนั้นท่านก็ตอบว่าพระชาวกุรุสามารถจะรับเอาประธรรมเทศนาที่ดึกซึ้งได้แด้ทราบว่าพิสุ ป, ปิุตนิบาสุปฏิกรหมดเลยนะทั้งสี่ชุดนะเก่งก า, ปาดปราดเปรื่องในเรื่องเหล่านี้มากในร่างกายเป็นผู้มีร่างกายและจิตใจเหมาะสมกันเป็นนิด เหมาะสมเป็นนิดตั้งสามารถแห่งปัจจัยคือระดูเป็นที่สบายเพราะว่ารัฐนั้นสมบูรณ์ด้วยปัจจัยคือระดูคนเหล่านั้นมีกำลังปัญญาอันความเหมาะสมแห่งจิตใจแกและร่างกายอนุเคราะห์แล้วจะเป็นผู้สามารถรับฟังถ้อยคำที่ลึกซึ้งได้ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าเมื่อทรงเล็งเห็นว่าคนเหล่านั้นสามารถจะรับฟังพระธรรมเทศนาลึกซึ้งนี้ได้จึงได้จัดสติปัฏฐานสูตรที่มีอัดลึกซึ้งโดยเพิ่มพระกรรมฐานในฐานะยี่สิบเอ็ดอย่างเข้าไปในพระอรหันต์เพราระฉะเราจ่ายเห็นว่าแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ ถ้าพูดถึงการสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนี่สอนเยอะนะฮะสอนเยอะก็อยู่ในแวดวงของกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่ว่าเป็นสอนเป็นระดับระดับไประดับศีลก็มีระดับธรรมะปฏิบัติก็มีระดับพิธีชีวิตก็มีระดับสมถะก็มีระดับปิปัสนาก็มีก็ว่าไปเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเอามาสอนเป็นส่วนส่วน คนกลุ่มนี้สามารถจะเรียนรู้ได้โดยวิธีใดพระเจ้าก็ทรงแสดงโดยวิธีนั้นอะไรที่ยังไม่ไม่พร้อมก็ยังไม่แสดงก่อนท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่าอุปมาเหมือนบุรุษได้พระอบทองคำแล้วบรรจุดอกไม้น า, นานาชนิดไว้ในนั้น หรือได้หีบฟองคําแล้วเก็บรัตนนาทั้งเจ็ดไว้ในนั้นฉันใดพระผู้มีพระเจ้ากระชันนั้นการทรงได้ชาวกุรุรัตบริษัทจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้ง้วยนั้นนั่นแหละในกุรุรัตนี้พระองค์ทรงแสดงพระสูตรที่มีเรื่อความลึกซึ้งในทีคณิกายได้ส่งแสดงไว้ อย่างคือมหานิทานสูตรอันนี้อยู่ที่กุรุรัตน์ะฮะมาสติปทานสูตรอ้ น, นี้อยู่ในมหาวัคขแห่งที่คณิกายทั้งสองสูตรในมหานิทานสูตรก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มาสติปทานสูตรที่จริงก็คือการขยายสัมมาสติสัมมาสติออกไปแล้วก็กลายเป็นสัมมาวายามาสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิ มาสมาธิก็ไปหมดนะขยายแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจเริ่มต้นก็ใช้สมาวายามะสมาสติสมาทิฏฐิสมมาสังกัปปะแล้วก็ไปสู่ต่อไปในในมทัททิมีเลงติกายเนี่ยก่อนแสดงเรื่องสาโรูปรมสูตรสาโรูปรมาสูตรเป็นการแสดงถึงการ สาระแองธรรมะเรื่องสีนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ยากเหมือนกันลูกผูปมาสูตรเป็นเรื่องอุปมาเหมือนกับต้นไม้เรื่องรัฐบาลสูตรเป็นเรื่องของพระรัฐบาลเรื่องภาครัฐบาลนี่ก็ยากแล้วก็มาคันยศสูตรนี่ก็ยากอาชัญญสับายาสูตรนี่ก็ยากยากทั้งนั้นเลยทุกสูตร มหมายความว่าจะเป็นธรรมะปฏิบัติระดับพัฒนาจิตใจของผู้ศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปก็เรียกว่าดูคนดูธรรมแล้วก็ดูคนไม่ใช่ดูคนแล้วก็ดูธรรมแล้วก็ปรับธรรมเข้าหาคนมหมายความว่าจูนวุฒิภาวะของคนกับธรรมะในใี่ฮะมันเข้ากันได้ก็ทํานองใกล้ค่าการจูนเครื่องวิทยุเนี่ย เราต้องการจะฟังรายการธรรมะจากหมหาวิทยาลัยศรีปฐุมอย่างเงี้ยเราก็จูนขึ้นมาให้ลงกันเดี๋ยวก็ฟังได้แต่คนที่จูนเองก็ต้องมั่นใจว่าฟังได้ถ้าไม่มั่นใจเขาก็ไม่จูนไปหรอกมกีมีช่องเยอะอีกอย่างหนึ่งในโซนนบนั้นตามปกติแล้วบริษัททั้งสี่ผ่าการประกอบความเพียรหนึ่งเนืองในสติปัฏฐานภาวนาอยู่ โดยที่สุดแม้แต่ทาากรรมกรบริวารชนเวลาเจอกันเนี่ยเขาเจอสอบถามว่าไงจเจริญกรรมาฐานไหมจเจริญสติปทานไหมเดี๋ยวคุยเรื่องสติปทานกันแม้แต่ที่ท่าน้ำสถานที่ปั่นได้การเป็ดต้นคือชื่อว่าการพูดในเรื่องร้ายประโยชน์จะเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่พูดเรื่องร้ายประโยชน์ เพราะเราเวลนี้เราสังเกตเรื่องที่เราพูดนี่ยได้ประโยชน์เยอะเลยถ้าเราตั้งคำถามอะแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรพูดเรื่องนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะแต่เราก็นิยมติดตามฟังนะคลิปกี่กี่อันกี่อันว่ากันไปวิพากษ์วิาจารณ์ขีดเขียนกันไปเยอะไปหมดเลยแต่เรื่องดีๆไม่มออกมาพูดกันคือปัญหาที่มันน่าจะประรบนะฮะ น่าจะประรบเช่นกรณีของน้าท่วมเนี่ยท่วมในภาคต่างๆทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ถ้าเราเอามาวิภาควิจารณ์ในในแง่ที่ป้องกันปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาจนเป็นการป้องกันได้ถาวรหมายความมาเก้าปียี่สบปีนี้นะไม่ท่วมเลย ปีนี้เขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงเจ็ดิห้าปีเพราะการประมาณการไว้แค่ยี่สิบปีเนี่ยมันจึงไม่ถึงทำไมไม่สามารถป้องกันน้ำไม่ได้เอาแหละก็ถือว่าเป็นบทเรียนจะไปโทษอะไรกันเอาน้ำมันท่วมมาแล้วเพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีแผนการอย่างไรที่จะทำให้ทางไหลของน้ำ หรือว่าต้นไม้ที่จะซึมซับน้ําเอาไว้ที่รากจะรอถึงข้างล่างเนี่ยนะแล้วก็ทางไหลของน้ําทางผ่านของน้ําการสร้างถนนทํำยังไงจึงจะมีท่อถนนเป็นช่วงๆไปการปลูกบ้านทํำยังไงอย่าให้บ้านมันเตี้ยเกินไปนะเพราะบางทีแม้แต่น้ําไม่ท่วมมากก็ออกบ้านเตี้ยแล้วแล้วก็ชอบปลูกบ้านเตี้ยกัน คือบ้านเรามันอยู่ในที่ราบลุ่มนี่เป็นเยอะแล้วก็ราบแบบหลังเต่าแล้วก็เป็นแอ่งน้ำนี่มันเยอะมากต้นน้ํามันขังเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมยอยู่ถ้ากว่าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนชัดเจนเนี่ยก็ใจลักษณะของภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ได้ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนทั้งป้องกันเตรียมว่า เมื่อปัญหามันเกิดเนี่ยทำยังไงจะป้องกันได้เอาแน่นอนเราป้องกันได้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะระดับไหนแต่ว่าเมื่อมันถึงเป็นปัญหาขึ้นมาปรากฏเราป้องกันไม่ได้บําบัดได้ไหมบําบัดให้มันเร็วหน่อยวิธีบริหารจัดการที่จริงมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรนะฮะไม่ใช่งานต้องใช้ศาสตร์พิเศษอะไร กสัมัญชนธรมรมดาเนี่ยชาวบ้านตาศีตาสาใหญ่มาใหญ่มีดีเขาก็แก้ปัญหาได้เราพก็คุ้นคุ้นอยู่กับภัยธรรมชาติเห่านั้นแต่เราก็ร้อยสายเกินแก้ไปทุกทีแล้วก็พอซ่อมเนี่มันโอโหอาการหนักมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเราแต่งกรอนกับเราแก้กรอนของคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็เขียนกรอนมา ช่วยให้เราชะแก้ให้แล้วกับให้เราเขียนเองเนี่ยคือเราเขียนเองเนี่ยได้เร็วกว่าเราแก้ในยากมากเพราะอะไรเพราะเป็นความคิดของคนอื่นแต่ถ้าเราเขียนเองเนี่ยเราจินตนาการเองแม้ให้อธิบายต้นไม้สักต้นหนึ่งต่างคนต่างก็อธิบายต่างคนต่างก็มอง เขียนกันมาแล้วก็ไม่มีใครเขียนผิดหรอกาะทุกคนก็เขียนถูกด้วยกันใครได้ไพ่รอกกว่าก็เป็นอีกเรื่องเนี่ยทีนี้ในเรื่องท่าสติปัฏฐานสเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ท่านเน้นไปที่สัปพายะคือมันเป็นสภาพการที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติพัฒนาจิตของบุคคล แล้วก็ทรงเน้นธรรมะไว้ตั้งสี่ข้อสามข้อหลักนงสามข้อหลักทีนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องคนเดี๋ยวกคุยกันเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหญิงคนใดคนหนึ่งถูกถามว่าคุณแม่เจ้าคุณแม่มนัศิ ก, กาถึงสติปัฏฐานภาวนาข้อไหนแล้วตอบว่าไม่ได้มนัศิกาข้อไหนเลยคนทั้งหลายจะตำหนิไนงะ คนไม่ปฏิบัติกรรมาฐานเน่ยเขาจะถูกตำหนิว่าชีวิตของเธอร้ายประโยชน์เธอถึงจะมีชีวิตอยู่ก็เช่นกับคนตายแล้วยึงให้อุาทเอว่าที่นี้อย่าทำอย่างนี้แล้วให้เรียนเอาสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหญิงใดพูดว่าฉันมานาสิการสติปัฏฐานชื่อโนนคนทั้งหลายจะพากันสาธุการวาสาธุสาธุแล้วก็สรรเสริญโดยถ้อยคาทั้งหลายมีอาธิว่า ชีวิตของเธอเป็นชีวิตที่ดีแล้วเธอชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เธอก็ในเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่มนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นที่พาการประกอบมณสิการถึงสติปัฏฐานสุดแม้แต่สาตว์ดิรัจฉานที่อาศัยเขาอยู่ก็มณสิการถึงสติปัฏฐานเหมือนกันหมายความว่า แต่เราไม่มานัศิการถึงสติปัญญานเลยแหมก็อายสาัตว์มันน่ะสัตว์บางทีหรือธาตุกรรมกรต่างๆก็ยังมานัศิกาลถึงกรรมฐานกันอยู่ในการมานัศิการคือใส่ใจสนใจในสติปัญญานเนี่ยก็มีเรื่องที่ท่านเล่าเอาไว้ว่าขนาดนกแคตาลเนี่ยนกแคตาลเนี่ยคือคนพวกเล่นเลี่ยงละครพวกไอละครสัตว์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย ดับลูกนกเข็กด้ามาฝึกแล้วก็พาเที่ยวไปแล้วไปพักที่อาศรมที่ที่ที่สำนักของภิกษุณีเดี๋ยวตอนไปเนี่ยมันลืมทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ก็ภิกษุณีก็สงสารศาสตร์ก็เลยเลี้ยงเอาไว้กับสามเณรีสำนกีก็ดูแลเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนว่าเธอมาอยู่ในสํานักนักบวชนะอย่าประมาทนะให้เจริญสติปัฏฐานเอาไว้ แต่ว่าเธอนี่ไม่ต้องภาวนามากหรอกใช้คำว่าอัติอัติก็พอแล้วแล้วว่ากระดูกกระดูกก็พอแล้วนกแขกดาวทำตามภาวนาทาเดียวนะแกเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนไม่รู้แต่ดูแล้วแกเข้าใจเยอะนะพอดีก็ถูกนกเหยี่ยวมาเฉียวเอานกแขกดาวพุทธกคิคนี่นะิะก็ไปในอากาศอีกสุนีสามเรรีก็ไล่ ส่งเสียงดังไล่นกเกี่ยวก็เหยียวก็ปล่อยนะคปล่อยนกก็บินลงมาก็จับได้ก็สอบถามว่าเป็นไงเธอคิดยังไงเวลาถูนกเกียวเฉียวไปนี่เธอคิดยังไงบ้างนกแค่ป้าพุทธลกทธิบอกไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คิดว่ากองกระดูกนะฮะกองกระดูกกองหนึ่งกำลังนํากองกระดูกอีกกองหนึ่งไปแล้วก็จะตกเรี่ยวแรอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง หมายความว่าไอ้ตัวนกเหยี่ยวมันก็คือกองกระดูกไอ้นอกแขกดาวคือกองกระดูกทีนี้เมื่อถึงที่ที่ใดที่หนึ่งนี่นกเหยี่ยวจะกินนกแขกดาวแล้วก็จะทิ้งกระดูกเกลื่อนกระจายในที่นั้นโอกาสต่อไปไอ้นอกเหยี่ยวนั่นก็กระดูกก็ต้องเกลื่อนกระจาดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าความตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายท่านไมไ่ติดใจอะไร นี่ก็เป็นที่ชื่นชมของภิกษุณีทั้งหลายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์ดิรกชานแม้แต่สัตว์ดิรกชานในสถานที่แคว้นกุรุเนี่ยยังเจริญกรรมฐานเลยทำอะไรไม่ได้ก็อัติอัติคำเดียวกระดูกกระดูกกระดูกภาวนาว่ากระดูกเป็นอารมณ์กรรมฐานนะอัติกะสัญญากำหนดหมายร่างกายตนเองและคนอื่นให้เห็นเป็นโครงกระดูก ถึงเป็นกรรมฐานที่แก้เรื่องการมราคาเนี่ราคาจะดิบเนี่ยก็ชะงัดทีเดียวต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาถึงคานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายด้วยทั่ว ก, กันสวัสดี